ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องล้างเนื้อสัตว์ออกจากจิตโดยสมณทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่18กันยายน2548ณพุทธสถานสันติอสงคขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ มีผู้ถามว่ายัางรับประทานเนื้อสัตว์อยู่จริงๆก็กินบ้างไม่กินบ้า ง, งอ๋อกายไม่อ๋อกายนี่เว้นได้แล้วไม่กินเนื้อสัตว์แล้ว<ร>แต่ใจเราใช่ไหมที่บางทีอ่าอ๋อเรียกว่าถ้าพูดพอคุยกันถึงเรื่องเบ็ดย่างไก่ ย, ย่างนี่ได้กลิ่นเลยนะได้กลิ่นเลยแล้วก็ภาพขึ้นมาในหัวสมองเลยอ่าประเด็นนี้เนี่ย อตาตมายอยากจะบอกว่าถ้าเราเลิกทางกายได้แล้วมันจะมีทางกายแล้วก็มาทางวาจาแล้วก็ไปทางใจนะมันจะเป็นสามขั้นตอนขั้นตอนยาบที่สุดเนี่ยคือเลิกทางกายได้อ่าอันนี้ถือว่าเราเราเลิกได้ระดับหนึ่งละคนที่เลิกทางกายได้แต่บางคนพอมาถึงวาจาก็ยังเลิกไม่ได้ยังกินเนื้อสัตว์อยู่อ่ายังกินเนื้อสัตว์อยู่ทางวาจา พราะโอ้โหพอพูดถึงเรื่องโแตอนี่เนี่ยโถถ้าเป็นดีนะต้องเยอะไอ้นินหน่อยย่อไอ้นั่นแหมไฟขนาดนีนะโอ้โหตเติมอีกอีกนิดอีกหน่อยอู้อ่อร่อยแซ่บ <c oughs> ทางกายไม่กินเลยนะแต่นี่เนี่ยนี่ก็คือจิตกับวาจาเนี่ยจริงจริงมันจิตนั่นแหละแต่ว่ามันบังคับไม่อยู่ละมันออกมาเป็นวาจา น, นี่ไม่ใช่แค่จิตนะนี่ยังหยาบอยู่ที่วาจาอยู่แต่กายเนี่ยหยาบสุดนี่ทําได้แล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อจิตมันยังมีเนี่ยมันก็ยังสั่งออกมาที่วาจาได้มันมันไม่ใช่เออคือเราเอาชนะได้เนี่ยส่วนหนึ่งความเป็นจริงต้องยอมรับว่าก็ต้องกดขม่มก็ต้องสู้ถ้าเราไม่สามารถมีกําลังกดข่มเนี่ยนะเป็นเจโตเนี่ยใช้กําลังจิตกดข่มได้ มันก็ต้องขึ้นมาสิ <c oughs> คือคือตอนนี้อาตมากาลังพยายามจะแนะนําว่าให้เราคิดซะว่าสมมุติว่าบุญเนี่ยเป็นสามส่วนนี่นะตอนนี้เราได้หนึ่งในสามแล้วกายกรรมนี่เราตัดได้ล้วตอนนี้พยายามมาระวังวจีกรรมเพราะว่าบางอหลายคนที่มาปฏิบัติธรรมแล้วยังเผลอเรื่องวจีกรรมเยอะนะขนาดที่เรียกว่าอ่ ะ, อะเดี๋ยวยังไม่ต้องวัจีกรรมอ่ะเดี๋ยวเอา น, นึกขึ้นมาได้เอาแค่กายกรรมเนี่ยแค่ว่าเราเลิกกินเนื้อสัตว์ได้แล้วแล้วเรามากินมังสวิรัติเด็ดขาดแล้วด้วยนะหมายถึงว่ากายกรรมไม่มีเนื้อสัตว์เด็ดขาดแต่บางค น, น ย, ยังเผือกายกรรมอยู่เลยเช่นเราไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยเรายังอะไรอ่ะซื้อคือคือเราเคยชอบเอาสมมติกินข้าวหมูแดงเนี่ยโหเจ้านี้อร่อย หมูแดงเจ้านี่อร่อยเราไม่กินแล้วนะเราเราพยายามขม่มพยายามบังคับใจเราแล้วเราไม่กินอะยังไงก็ไม่กินแต่เราเรายังจําได้ว่ามันอร่อยยังไงะนะโอ้โหก็บางทีเนี่ยโอ้ซื้อมาเสร็จเอาให้เพื่อนเบงังให้คอนต้นคนนี้เขากินมั่งยิ่งบางทีเห็นเขากินเนี่ยโหรู้สึกมีความสุขไปด้วย <c oughs> ยังอ ด, ย, งอดยังอดใจไม่ได้เลยนะนี่นนี่กายกรรมแบบไม่ใช่โดยตรงและ นังยังเป็นเศษเป็นเชื้อของกายกรรมนี่ยังยังอยู่เลยคือมันยังเป็นความยินดีพอใจเลยแต่เราเราอดทนอดกลั้นได้ขนาดนึงแล้วว่าเรายังไงก็ให้ตายยังไงก็ไม่กินแต่มันยังอดใจไม่ได้เราไม่กินแต่ให้คนอื่นเขาได้กินเถอะให้คนอื่นเขาได้อร่อยเถอะวันให้รู้ว่านี่ยังนี่ก็เป็นความเห็นเห็นธาตุของกิเลสเราว่าโอ้โหนี่เรายังสะสมอยู่มากนะมันยังไม่ใช่น้อยน้อยนเสร็จแล ดูนะักกายกรรมนี่มันกำพูดถึงแล้วคราวนี้มาที่วัชีกรรมเห้แม่บางทีเนี่ยเผลอไปคุยกับเพื่อนนะบางทีไม่ใช่เพื่อนที่อื่นเลยคือบางทีเพื่อนที่เขายังกินเนื้อสัตว์อยู่เนี่ยโอ้โหยิ่งมันปากใหญ่เลยะนะยิ่งพูดจนถึงโอ้โหปลาดุกอไนะอ้นะงูผักเพก็กอะไรอะไรใช่มันปิดสถานหน่อยแมบางทียิ่งโอ้โหคุยกันอร่อยใหญ่เลยนะ ไม่ต้องอื่นเลยบางทีเนี่นะคุยกับพวกนักบังสวิรัติด้วยกันนะบางทีเราเราเผลอนะเราขาดสติอาตมาถึงบอกโอ้ oh, ยังอร่อยทางวจีกรรมอยู่เลยอดไม่ได้นะบางทีคุยก็เลยคุยก็ได้ยังรู้สึกมันสะใจอ่ะมันได้เสพมันได้สะใจอยู่เลยเพราะอันนี้ให้รู้นะให้รู้กิเลสเราแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังเป็นเศษเป็นเชื้อของกิเลสที่เรายังล้างไปไม่ ไม่ออกไปหมดมันยังมีอยู่ที่ยังเกาะอยู่ในจิตของเราเพราะฉ้อันเนี้ยให้เรารู้พอรู้ตัวเนี่ยก็ต้องมีสติให้ไวๆพอรู้ตัวว่าอ้อาวใหม่ล้วหม่ละไอ้เชื้อเก่ามาันมาเริ่มยั่วยวนมาเริ่มกวนใจเราอีกแล้วมีสติรู้ตัวคราวนี้ต้องใช้จิตนั่นแหละเป็นตัวที่จะข่มมันบังคับมัน ตอนนี้ไอกก้การข่มการบังคับเนี่ยจะบอกลราใช้เจโตกดมันลงไปอย่างเงี้ยเจโตกดมันลงไปนี่มันยังไม่ได้เป็นล้างจิตนะคุณแค่ใช้กําลังของจิตข่มมันลงไปโอ้ไม่กินไม่กินแต่ไอ้ไม่กินเนี่ยเพราะอะไรไม่กินเพราะโอ้ตั้งตาบากับท่านมาหรือไม่กินเพราะไม่กินเพราะบางคนเอ่ออะไรอะ่ะสุขภาพแสลงอะ่ะแสลงโรคตัวเอง อไม่กินคือมันยังมันยังไม่ใช่ว่าข่มลงไปโดยที่ไม่กินเนื้อสัตว์เพราะเราเข้าใจว่ากิเลสเรามียังไงแล้วเราจะล้างกิเลสเราคือมันยังไม่เข้าใจตรงนี้มันจะเอาอย่างอื่นนั่นแหละมากลบๆเอามาเป็นข้ออ้างเพื่อให้เราเนี่ยข่มแล้วเราไม่กินเนื้อสัตว์ได้เพราะอันนี้ยังไม่ได้ล้างกิจริงๆแต่ว่าเหตุผลพวกนี้มาทําให้เราระงับได้ขนาดนึีล้ละ เพราะฉะนั้นไอเชื้อของความอร่อยอร่อยเนื้อสัตว์ความชอบความติดยังฝังอยู่ในจิตเราเราั้นคราวนี้ต่อให้คนนี้วัจีกรรมไม่มีแล้วสามารถที่จะแบบว่าเฮ้ยอย่าไปคุยเรื่องอร่ออร่อยเรื่องเนื้อสัตว์เรื่องอะไรพวกนี้อีกละอ่าห้ามได้แล้วนะแต่เห็นไหมใจก็ยังมีอยู่เลยเพราะันบางทีคราวนี้ไม่มีใครรู้แล้วนะ เพราะกายกรรมก็ไม่ทำวาจีกรรมก็ไม่ได้พูดแต่ใจเราบางทีก็ปรุงไม่ต้องมีใครอยู่ด้วยเลยยิ่งบางคนเนี่ยโหดูหนังดูหนังไอรายการโฆษณาอะไรอะไรอร่อยอร่อยออกมาหน้าจอเนี่ยบางทีโหเอาละจิตเริ่มละเริ่มปรุงเริ่มคิดใหญ่เลยบางทีนั่นแหละเพราะว่ามันยังฝังอยู่ไงยังไม่ได้ล้างเพรา ะ, ะนั้นอาตมาถึงบอกว่า จะบรรลุทานจริงๆเนี่ยพอเราใช้เจโตเราข่มลงไปแล้วต้องใช้ปัญญาตามล้างด้วยกิเลสถึงจะหมดได้ต้องใช้ปัญญาตามล้างคราวนี้พิจารณาต้องเจาะให้เป็นล้ถึงบอกว่าไม่ใช่เอาแค่เหตุผลอื่นเนี่ยมากลบแค่เอาเหตุผลอื่นมากลบเนี่ยมันมันยังเป็นแบบเจโตอยู่มันยังไม่ใช่ปัญญาจริงเพราะปัญญาจริงเนี่ยจะต้องจับกิเลสเราให้ได้เราไปติด เนื้อสัตว์อันนี้ตรงไหนชอบใจมันตรงไหนพอใจมันตรงไหนรูปสีกลิ่นรสมันเอเปรี้ยวหวานมันเผ็ดอะไรยังไงพอใจตรงไหนเนี่ยเออแล้วจริงๆเนี่ยมันจริงหรือเปล่าข่าวนี้ต้องเจาะมาที่กิเลสตัวจริงๆเลยถึงจะไม่เป็นการกดข่มไม่เป็นการเก็บกดเอาไว้ในจิตนะข่าวนี้เนี่ยเผลอๆเนี่ยจิตเราดีๆอยู่นะ ดึงมันขึ้นมาเลยลือมันขึ้นมาเลยไอ้พวกที่ยังฝังใจอยู่อ่ะแล้วมันฝังใจจริงๆใครเคยติดอะไรไว้เนี่ยถ้าให้อดมานึกอย่างนึกได้เลยทุกวันเนี้ยเออโอ้โหเป็ดย่างยาลอยยังนึกได้เลยทํา ไ, ไ, ทไมจะนึกไม่ได้ อ, อ๋อยังจําได้อะ่ะแต่ความจําไม่ใช่กิเลส น, นะแต่ความจําจะเป็นกิเลสทันทีถ้า พอเราเราจําอันนี้คิดมาใช่ไหมว่าเอ้ยโอ้เป็ดย่างเนี่ยมันมีสีสันมันมีรสชาติอย่างนี้พอพอมันขึ้นมาปั๊บคุณปรุงมันต่อคราวนี้เป็นกิเลสของคุณทันทีเลยอ่าอุปทานเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมแล้วเราปรุงต่อปรุงนี่คือตัณหามันปรุงต่อปั๊บคราวนี้ยกิเลสคุณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตอนแรกสัญญาเนี่ยเป็นแค่ความทรงจําหรือว่ามันเป็นอุปทานของคุณก็แล้วแต่ มันมันมันยังไม่เดินเครื่องมันเดินเครื่องไม่ได้แต่ว่ามันมันเป็นความทรงจําคุณอยู่แหละแต่พอเราไปคิดต่อเติมมันนิดนิดหน่อยหน่อยก็แล้วแต่ทันทีลเลยกิเลสเพิ่มทันทีเพราะพอกิเลสเพิ่มเพราะนี้คุณก็อยากได้มาแล้วสิคุณต้องสแสวงหาแล้วคุณจะต้องเอาเข้ามาจะโดยวิธีไหนก็แล้วแต่วันเวลาคราวนี้จะล้างตัวที่เราเก็บกดเอาไว้คราวนี้สุดท้ายด่านสุดท้ายคือจิต วันใครเนี่ยทํากายกรรมได้อลดละวะจีกรรมได้ให้รู้ว่าเราได้สองส่วนแล้วเหลือส่วนสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือจิตวันจิตนี่เป็นเรื่องที่ยากที่สุดเป็นเรื่องที่ยากที่สุดวันจะล้างจิตนี่คราวนี้ต้องฝึกต้องฝึกอ่าต้องเพิ่มปัญญาให้มากขึ้นล้วอาจจะใช้แต่เจโตไม่ได้ต้องเพิ่มปัญญาละเออล้อางแล้วไม่ต้องกลัวเกลียดหรอก ถ้าสมมุติมันอย่างนี้มันอยู่ที่กิเลส ต, ตัวนั้นนะ่ะเป็นกิเลส ต, ตัวไหนถ้าเป็นกิเลส ต, ตัวที่คุณรักที่คุณติดเนี่ยนะส่วนใหญ่คุณล้างยังไงล้างยังไงล้างยังไงเนี่ยไอ้เกลียดมันไม่ค่อยขึ้นหรอกเกลียดที่จะไม่ค่อยขึ้นมันน่า ก, กลัวก็คือเราจะไปชอบมันไปรักมันต่างหากจริงๆอ่ะเขาต้องให้ใช้ความเกลียดด้วยซ้ำไปที่จะมาล้างเห็นไหมละ่ะเขาต้องใช้ด้วยซ้าไปออ อ, อย่าเพิ่งไปกลวงไงที่อาตมาพูด่คือถ้าไปคิดอย่างนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวกูเลยเห็นทุกเห็นโทษภัยมันไม่ได้เลยเพราะคุณไปดึงมันเอาไว้ไงเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยไม่ต้องไปห่วงมันอะไรที่เราลักเราชอบอยู่เนี่ยคุณจะปรุงเห็นทุกเห็นโทษภัยเห็นความน่ารังเกียจยังไงของมันคุณปรุงให้ขึ้นเถอะเรื่องของเรื่องอะอาตมาว่ามันปรุงไม่ค่อยขึ้นเลยเอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะที่แม่จะสมมติเอาเราไปลักใครสักคนเนี่ย โอ้พยายามปรุงว่าแม้เขามีความน่ารังเกียจตรงไหนบ้างบางทีแหมพอมองมุมนี้โอ้เขาก็ดีนะมุมนั้นเขาก็ดีนะปรุงไปปรุงมาอมเกียดไม่ค่อยลงเลยเพราะฉนั้นอย่าเพิ่งไปห่วงปรเด็นนั้นอย่าเพิ่งห่วงนะมันมันเป็นการที่จะเอามาล้างจิตก่อนหายากนะใครที่แหมปรุงจนกระทั่งเลยเลยเลยเลยเลยถิดไปเลยจนกระทั่งกลายเป็นเกลียดมีจริงมีได้ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแล้วคุณอย่านึกว่าคุณรักคุณชอบอะไรเนี่ยแค่อาหารอร่อยเนี่ยแหละคุณรักคุณชอบอะไรอร่อยเนี่ยให้คุณปุงโง่เห็นทุกเห็นโทษภัยเห็นความน่าเกลียดแล้วก็จะได้เลิกไม่ไดอยากกินมันโอ้โหยากแสนยากลองไปทําดูสิแล้วจะรู้บางทีคิดกิมัติไลก็ยังอร่อยทุกที <laughs> คิดกิมัติไลก็อร่อยทุกทีไป โอ้โหยากจริงๆนะเพราะฉะอย้นอย่าเพิ่งรีบไปกลัวก่อนมันพยายามอันนี้ น, นเนี้ยเนี่ยวิธีแก้วิธีล้างจิตถ้าเราติดอะไรก็จะต้องใช้เห็นทุกข์เห็นโทษภัยมันให้ได้นะต้องเห็นให้ได้นะถ้าตาบได้ไม่เห็นเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าคุณไม่มีวันเลิกได้เพราะความยินดีพอใจยังแอบฝังอยู่ในจิตคุณเลยวันไหนคุณเผลอใจอ่มันจะลอยขึ้นมามันจะลอยขึ้นมา ลอยไปลอยมามันก็ลอยไปหาเขาเลยใจไม่อยู่กับตัวเรียกว่าใจไม่อยู่กับตัวแล้วมันจะลอยไปหาสิ่งนั้นแต่คราวนี้ถ้ามันเป็นกินเลส ต, ตัวเกลียดอยู่แล้วคราวนี้อันตมาจะให้คุณสังเกตนะอัตมาถึงบอกว่าคุณอย่าเพิ่งไปห่วงก่อนคนไหนที่เราเกลียดคนไหนที่เราเจอหน้าก็อยากจะดา่าเห็นหน้าก็อยากจะตบคุณคิดดูสิ ให้คุณไปคิดเลยนะว่าคุณรักเขาเขามีความดีเขามีความน่ารักตรงไหนบ้างให้คุณพยายามคิดเลยบางทีมันคิดไม่ค่อยออกเลยคิดทีไรกับอยากจะตบทุกจีเลคุณไปเห็นตามสัจจะตามความเป็นจริงว่าโอ้โหมันยากจะให้คุณคิดจนเลยเถิดเลยนะจากไอ้คนเนี้ยเกียรแสนเกียดนะคิดไปคิดมาจนกระทั่งกลายเป็นรักเนี่ยโอ้โหยากยากมากๆที่ใครจะสามารถคิดจนกระทั่งไปเลยเถิดเลย อนอกจากว่าจริงๆน่ะคุณคุณหลงผิดเองคุณเข้าใจผิดเองคุณคิดว่าคุณเกลียดแต่จริงๆแล้วคุณรักคุณไม่ได้เกลียดหรอกคุณรักแต่คุณคุณเนี่ยนะมันมันไม่สมใจคุณนะคุณเลยเกลียดที่เกลียดนี่เกลียดเพราะไม่สนใจน่ะไม่สมใจอะไรไม่สมใจคือเขาอาจจะไม่มาตามใจคุณแต่จริงๆแล้วคุณรักนะคุณอาจจะชอบคนนี้นะ ร้อนข่าวไหนพอเขาทําตามใจคุณท่านะคุณรักทันทีเลยว่าอันนี้คนนี้หลงไปเองหลงผิดไปเองยังยังไม่เข้าใจว่าตัวเองรักหรือว่าเกลียดอันนั้นยังยังไม่ชัดเจนตัวเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ต้องฝึกนะอันเนี้เริ่มเริ่ ม, มยากละการจะล้างกิเลสได้จริงๆต้องล้างถึงจิตถ้าใครล้างกิเลสไม่ถึงจิตเนี่ยไม่สามารถบรรลุในเรื่องนั้นได้ อาจารย์มาทุงบอกว่าทําแค่กายกรรมได้ทําแค่วจีกรรมได้ยังล้างไม่หมดหรอกยังเหลือที่จิตอยู่อ๋อมีผูวว้ถามว่าล้างไปแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันหมดจริงๆรู้สิเวล า, า, า, า, า, า, า, าคุณทําความสะอาดบ้านเนี่ยสมมติบ้านสกปรกเงี้ยถ้าคุณทาความสะอาดบ้านเสร็จคุณจะรู้ไหมว่านี่บ้านทําเสร็จหรือยังอ่ะคุณจะรู้ไหม รู้สิเพราะมันสะอาดมันสบายมันน่านั่งน่านอนน่าอยู่คุณจะรู้ทันทีเลยคุณไม่ทุกข์เหมือนเดิมคุณจะเห็นได้เลยวันถ้ากิเลสเราลดลงไปจริงยิ่งกิเลสเรื่องนั้นคุณหมดเนี่ยคุณจะเห็นความสบายเลยเออไม่เห็นต้องไปห่วงหาไม่เห็นต้องอะไรอาวรณ์ไม่เห็นไปต้องไปโกรธไปดดไปผักอะไรมันเลยมันไม่มีผลไม่มีอิทธิพลอะไรต่อต่อความรู้สึกเราเลยสบายมาก ความสุขความสบายอันนี้แหละคุณจะรู้ได้โดยตัวเองคนอื่นก็ตอบไม่ได้ด้วยคนนั้นจะรู้เองอย่างเช่นคนที่เลิกกินเนื้อสัตว์ได้แล้วมากินมังสวิรัตได้นะถ้าเลิกมาได้จริงจนกระทั่งเราล้างไปล้างไปล้างไปจนกระทั่งเกลี้ยงแล้วนะคนนี้สบายจริงๆคุณจะมีความสุขกับการกินมังสวิรัตสุขยังไงไปเห็นคนนี้ไปเห็นเนื้อสัตว์ที่เคยอร่อยยังไงก็ตามเห็นคุณก็ ไม่มีปัญหาหน่จําได้ด้วยนะว่าแต่ก่อนเคยกินอร่อยอยังไงแต่มันไม่มีผลอะไรกับใจคุณเลยไม่ได้นึกว่าต้องอยากกินต้องไปกินมันเลยคุณเข้าใจทั้งทุกท้อท้ายของมันเข้าใจอะไรต่างๆนานาหมดเลยมันเบาสบายเลยพูดง่ายๆว่าไม่มีอิทธิพลอะไรต่อจิตเราเลยแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องกินแล้วด้วยเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์มีคุณค่าอะไรสําหรับเราเลยอ่าเรากินอย่างอื่นก็ได้ดีกว่านี้อีก ยังมัจะชัดเจนความเบาสบายของจิตเพราะฉนั้นจะไม่เอาเลยอาตมายกตัวอย่าง บ, าบา่อยๆคือผู้เจ้าท่านเปรียบเอาไว้เหมือนกับคนที่ลดกิเลสได้แล้วเนี่ยคือคนที่สมัยก่อนนะสมมติว่าไปอยู่ในหลุมหลุมอุจจระอยู่ในหลุมขี้พูดง่ายๆนะสกระปรกเหม็นโอ้โหมีน้อนมีอะไรนะเนื้อตัวก็เหม็นไปหมดแช่อ ย, อยู่ในหลุมขี้เนี่ย ตอนแรกบางคนอาจจะรู้สึกมีความสุขมีความสบายในหลุมขี้นะเขาเคยมีนิทานเล่าอ่ ะ, อะนอนนอนในในกองอขี้ขี้บัวขี้ควายเขาเรียกอะไรนะเขาเามีชื่อเรียกนะไอะ้นอนประเภทนี้คือมันมันจะมันจะชอบอ่ะแล้วมันก็เป็นอาหารมันด้วยนะเป็นเหมือนกับบ้านมันเลยมันจะมีความสุข วันตอนแรกเนี่ยใครมีความสุขอย่างเงี้ยนะจริงๆเราอยู่ท่ามกลางโอโ้โหเนี่ยกา ม, มั่งโทสะมั่งนะได้กินได้เสพอะไรตามใจชอบเราเราว่าอย่างนั้นมีความสุขใช่ไหมเสร็จตอนนี้พระเจ้าท่านบอกว่าเอาละคราวนี้เอาคนนั้นเนี่ยออกจากหลุมขี้นั่นมาเสร็จแล้วก็มาให้อาบนา้ําอาบท่าพาขึ้นไปบนปราสาทให้ได้กินอาหารดีๆอร่อยๆมีเพลงบรรเลงให้ฟังอาบน้ําเสร็จก็แม้ปะพม เครื่องหอมอะไรให้อย่างดีเลยคราวนี้คนที่ได้มาสัมผัสกับอาหารดีๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นกองขี้แล้ว อ, อาหารดีๆเป็นอาหารทิปมาเป็นอาหารที่อย่างเงี้ยเป็นแบบอาหารมังสวิรัติอะไรเงี้ยโอ้โหสบายใจสบายตัวอาบน้ำแล้วไม่ต้องอยู่ในหลุมขี้ก็โอ้โหสบายเนื้อตัวไปหมดเลยทำเนี่ยถ้าเขามีความสุขเขามีความสบายอย่างที่เขามาสัมผัสในสิ่งใหม่นี้แล้ว พุทเจ้าบอกว่าข่าวนี้แหละจะเชิญคนนี้ให้กลับไปอยู่ในหลุมขี้เนี่ยเขาจะไปอยู่ไหมเขาไม่อยู่อย่าว่าจะเชิญเลยลากไปเขายังไม่ยอมไปเลยนี่คือสภาวะถ้าเราเนี่ยอย่างเช่นเราเลือกเนื้อเลือกเนื้อสัตว์ได้จริงๆแล้วเราสัมผัสเราได้มากผลจริงๆจากการเลือกกินเนื้อสัตว์เราก็จะสบายในการกินมังสวิรัตนั้นแล้วต่อให้ลากคุณไปกินเนื้อสัตว์อีกยังไงคุณก็ไม่กิน เราจะรู้ได้ด้วยตัวเราเองเลยไม่ต้องมีใครมาบอกก็ได้คุณจะรู้เหมือนกับใครเนี่ยเอาขอยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งใครแต่งงานแต่งการไปแล้วมีครอบครัวไปแล้วคุณก็จะรู้ใช่ไ้ยเขาบอกว่าสุขนักสุขหนาเอาละคุณจะสุขอย่างนั้นก็สุกฮะเสร็จแล้วนะคราวนี้คนนั้นนะ่ะสมมุติว่าเออมาเป็นโสดได้ให้มาอยู่เป็นโซดแล้วก็ให้มามีความสุขความสบายแบบคนเป็นโซด นะคราวนี้เขาก็สบายอย่างกุนเบนโซแล้วนะอ่าเขาทําได้จะให้เขากลับไปมีคู่ใหม่อย่างอย่างที่เขาบอกว่ามีความสุขแบบแบบมีคู่ครองมีลูกเต้ามีอะไรนะถ้าถ้าเขาได้จริงๆนะให้ลากยังไงไปเนี่ยก็ไม่ไปละเพราะมันรู้แล้วโอ้โหงันทุกกับกันเยอะเลยยังไงก็ไม่ไปเป็นโซสบายกว่ากันเยอะเลยจริงๆถ้าถ้าถ้าได้ของจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นเลยให้ลากให้ตายยังไงก็ไม่ไปแต่นอกจากคราวนี้ มาทําเป็นโสดนะแต่ใจมันยังไม่โสดสิใจมันยังแหม่างที่เล็งคนนั้นมันเล็งคนนั้นบ้างใจมันยังมีอยู่ในใจยังสะสมอยู่วัเนเดียบางทีต่อให้มันเป็นนักบวชก็ตามบางทีถ้ามันแบบว่าสะสมอยู่เงีย้ยเก็บกดไว้ในใจเงี้ยใจยังอยากมีคู่อยู่อ่ายังยังยังใบหลงว่าว่ามีคู่ครองใช่ไหมมีครอบครัวอย่างนั้นแล้วยังมีความสุขอีกหน่อยแก่แล้วก็จะได้มีลูกหลานไว้เลี้ยงอะไรต่ออะไร ถ้ใจยังยังติดอยู่พวกนี้อยู่ก็<ๆ>ดีไม่พ้นหรอกบวชมาบางทีกี่ภาษาก็ทนไปเถอะแต่พอทนไปไม่พ้นแล้วก็สึกสึกเสร็จ ก, ก, ก็ต้องไปแต่งงานแต่งการเพราะว่ายังคิดว่าอย่างนั้นเป็นสุขอยู่<ๆ>ก็จะต้องไปอย่างนั้นเนี่ย ม, มันก็เป็นสัจจะเป็นไปตามความเป็นจริงแต่ถ้าใครได้แล้วมาถึงบอกโอ้โถนะต่อให้เอาปืนมาจีดาจ้ด้วยเอา้าจี้ เ, เลยบอกอ้าวไปไป แต่งงานไม่มีครอบครัวสมมติเ อ, เ, อเอาเอาจีสานะ้สมานานนหวังซึกซึกไปไม่แต่งงานไม่มีครอบครัวแล้วลองสมานาก็ไปไปหรอกถ้าท่านทําได้แล้วนะท่านเออไม่รู้จะไปทําไมอืมเพราะมันทุกข์อะก็รู้ว่าไปอย่างนั้นมันทุกข์ก็ไม่ไปแต่อันนี้ไม่ต้องมีใครมาจี้เลยเห็นไหมถ้าใจมันมีอยู่อ่ะใจมันมีอยู่มันไม่ไหวมันก็ซึกเนีไม่ต้องเชิญหรอกไปเอง ก็เป็นไปตามความเป็นจริงเป็นไปตามสัจจะมีผู้เขียนมาว่าไม่ยอมแตะต้องเนื้อสัตว์เลยและมีจิตปฏิเสธอยู่ด้วยตลอดเวลาแต่ยังซื้อให้ลูกกินอยู่จะเรียกว่าเป็นอย่างไรครับคือเรื่องพวกนี้นี่มันยากอยู่นะเพราะเราอยู่ในสภาพของครอบครัวหรือว่าในสังคมทั่วๆไปอย่างแรกสุดเนี่ยอาตมาขอบอกว่า ให้ดูที่ตัวเราก่อนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยตัวเราบริสุทธิ์ได้เราถือว่าจบจบก่อนแล้ะที่ตัวเราตอนนี้จะพ่อแม่จะพี่น้องจะเคือญาติจะลูกหลานอะไรก็แล้วแต่อันนั้นอนะ่ะเป็นอีกคนละนะอันนั้นถ้าจะถือเราก็ถือว่าเป็นประโยชน์ท่านละอ่าแต่ประโยชน์ตนเนี่ยคือตัวเราถ้าเราเนี่ยเลิกละเนื้อสัตว์ได้นะเราไม่กินได้แล้วก็ถือว่า เราสามารถทำบริสุทธิ์ได้ตัวเราส่วนนี้เราได้บุญแหลโดยประโยชน์ตนของเราเราได้บุญแต่ตอนนี้บอกเราเกี่ยวเนื่องอยู่กับคนอื่นเนี่ยบอกว่ายังต้องซื้อให้ลูกกินเนี่ยพวกเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้เพราะว่าเขาอาจจะยังไม่ยอมกินมังสวิรัตใช่ไหมหรือบางทีมีญาติธรรมเราหลายคนที่บางทีก็ยังยังต้องไปซื้อหรือบังเขอะเเผอบางทียังต้องทำเองเลยที่ซ้าไปแล้วก็ให้พ่อแม่กิน เพราะว่าพ่อแม่ไม่ยอมกินไงบางสิบลัดอันนี้เราถือว่าประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านเนี่ยถือว่าเป็นส่วนเสริมเข้ามาถ้าเราเสามารถช่วยให้ท่านกินเนื้อสัตว์ได้น้อยลงหรือให้ลูกกินเนื้อสัตว์ได้น้อยลงก็ถือว่าเออเราได้บุญเพิ่มมามากหน่อยแต่ถ้าจำน้นแล้วก็ปรากฏว่าก็ยังต้องทําให้พ่อแม่หรือยังต้องเอาเนื้อสัตว์มาให้ลูกก็ถือว่าประโยชน์ท่านเนี่ยเรา โอ้โหทได้น้อยมากหรืออาจจะบางทีเผลอๆทาไม่ได้เลยประโยชน์ท่านอาจจะทําไม่ได้เลยแต่ประโยชน์ตนของเราเราจบได้แล้วนะให้ให้ชัดประเด็นตรงนี้ไม่อย่างนั้นแล้วจะไม่สบายใจนะบางคนจะไม่สบายใจแล้วจะรู้สึกทุกข์แล้วเดี๋ยวจะคิดว่าตัวเองเป็นบาปไปด้วยอันนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าที่เราทําอยู่เนี่ยเราทําเพื่อคนอื่นเขาใช่ไหมละ่ะถ้าไม่ใช่เพราะพ่อแม่ไม่ใช่เพราะลูกเนี่ยคุณจะทำให้หรือคุณก็ไม่ทําใช่ไหมละ่ะอ่า ว่าอันนี้มันไม่ใช่ส่วนของเราอยู่แล้วจริงๆมันเป็นส่วนของคนอื่นเขาถึงบอกว่าเออถ้าเราทําได้ก็ยิ่งดีเราก็ได้ได้บุญบา ร, รมีร่วมกันเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราทําไม่ได้ในส่วนประโยชน์ท่านเนี่ยก็ถือว่าเราก็เสมอตัวเราเพราะว่าในส่วนของเราเองเราทําได้อยู่แล้วท่านนึกอย่างนี้แล้วคุณจะสบายใจคุณจะไม่ไปทุกข์ไม่อย่างงั้นบางคนเนี่ยมีคําถามที่จะเจอบ่อย เพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้ึกเออเราบาปไปด้วยอะไรต่ออะไรอไม่อะเก็คุณไม่ได้เจตนาอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ทําให้ตัวเองด้วยซ้ําไปนะเพราะฉะนั้นถ้าคิดอย่างที่อาจามาบอกได้เนี่ยคุณจะคลายนะจิตมันจะไม่วิตกไม่ไปกังวลอะไรมากออมีผู้ถามว่าอาการที่รู้ว่าเราเลิกได้แล้วนะว่าเป็นญาณใช่ไหมถ้าตอบแบบภาษาพระก็ต้องตอบว่าใช่ เราเรียกว่าอาสวัคยญาณที่ต่อแบบภาษาวิชาการเราเรียกว่าอาสวัยายาคยญาณคําว่ายานเนี่ยไม่ใช่แปลว่าความรู้เฉยๆยานเนี่ยมันแปลไปทั้งหมดเลยเป็นความรู้เป็นความรู้สึกเป็นความทําได้ของเรา <S <S <ๆ>เรารู้เลยว่าเราทําได้อย่างนี้อย่างนี้เราก็ไม่ใช่ทําได้แบบความคิดด้วยนะทําได้แบบเป็นผลของการกระทําเลย <S <S โดยกายกรรมโดยวจีกรรมโดยมโนกรรมเนี่ยมันทําได้หมดเลยทั้งสามส่วน จกระทั่งเป็นความรู้ออกมาเราเรียกยานอย่างเงี้ยว่าโอ้เราบรรลุแล้วอาสวัคยาญาณนี่ถือว่าบรรลุและในเรื่องนั้นๆสมมุติใครเนี่ยแน่ใจว่าชาตินี้เลิกกินเนื้อสัตว์ได้เด็ดขาดแบบไ ม, ไม่เก็บกดนะนะแบบชัดเจนเลยรู้ทุกรู้โทษภัย เ, เราก็ไม่กินเพราะเรารู้คุณค่าของมังสวิรัต ทั้งสบายกายทั้งสบายจิตใจยังไงคุณชัดเจนและคุณทําได้ถึงจิตคุณเลยเนี่ยคุณได้อาสวัคพยาญานในเรื่องของการเลิกกินเนื้อสัตว์นี่แล้วแล้วก็สบายจริงๆกันมาทั้งบอกสบายจริงๆมีความสุขมากต่อให้ใครมาจับคุณนะเสร็จแล้วก็บังคับนะบีบปากคุณให้อ้าปากเอาเอาหมูแดงทับทิมมายัดใส่ปากให้คุณเคี้ยวกืนลงไปคุณยังไม่เคี้ยวไม่กืนเลยไม่กินหรอก นอกจากว่าเขาจับคุณอ้าปากแล้วก็กระทุ่งกระทุ่งลงมาไอ้อย่างงั้นมันช่วยไม่ได้นันก็ต้องลงไปในท้องนะแต่ว่าเราไม่จะอยากกินเลยแล้ว เ, เราชัดเจนด้วยอันนี้รู้ได้จากตัวเองแต่ถ้าใครควนี้ขอพูดอีกลักษณะนหนึ่งใครเนี่ยนะพอไปเจออย่างนี้เข้านะสมมตินะบางทีเขายังไม่ได้มาจับบังคับคุณจับคุณอ้าปากเลยเขาแค่ถือมาเนี่ย โอ้โหนี่จากแม่นั่นแม่นี่นะเนี่ยโอ้โห อ, อะไรนะอะไรเรือนะก๋วยเตี๋ยวเรือลังสิตโอ้โหเนี่ยเขาเครื่องปรุงเขาถึงมากเลยนะแหม่เขาพูดสรรพคุณเข้าไปหน่อยเดียวนี่ชักเควๆๆๆๆเะแล้วชักเควแล้วอนะทั้งๆที่โอ้โหบางทีบางคนเลิกกินเนื้อสัตว์มาได้ตังนานนะนะหลายปียอย่างเงี้ยไปๆมาๆเนี่ยเฮ้ยเราไม่ได้กินแล้วนานแล้ว เราเลิกได้เด็ดขาดแล้วมีมีปัญหาหรอกน่าลองดูหน่อยไม่เป็นไรเออว่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะาลองไปเสร็จมาโอ้โหยังอร่อยเหมือนเดิมเลยก็ให้คุณรู้เถอะเออมันยังมีเศษเชื่อเหลืออยู่เลยเนี่ยอนะมันยังอดใจไม่ได้อยู่เลยมันยังต้องลองเลยง้นจรงจริงไม่เห็นยีความจำเป็นต้องลองเลยนั่คุณจะชัดเองอันตมายทุกบอกโกหกใครก็โกหกได้แต่โกหกตัวเองไม่ได้ โดยเฉพาะถ้าปฏิบัติถูกทางของศาสนาพุทธ100เซ์ว่าโกหกตัวเองไม่ได้เพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เจาะหาความจริงปฏิบัติไปแล้วนี่ต้องรู้ความจริงโดยเฉพาะความจริงของตัวเราเองโกหกคนอื่นนะอาจจะได้แต่โกหกตัวเองไม่ได้เด็ดขาดเพราะศาสนาพุทธเนี่ยแค่เริ่มปฏิบัติเนี่ยคุณก็ต้องพยายามโอ้โ oh หดูนะกิเลสเราหรือเปล่าใช่หรือเปล่าจนะล้างได้ยังไงโอ้ยมันเจาะหาความจริงตลอดเลย เพราะนันไม่มีสิทธิ์เลยใครปฏิบัติถูกทางพุทธแล้วหมดสิทธิ์โกหกตัวเองโกหกคนอื่นอาจจะได้แต่โกหกตัวเองไม่ได้หมดสิทธิ์จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปฏิบัติถูกทางพุทธแล้วพระเจ้าย้ำตุมลงไปเลยว่าใครถูกทางเนี่ยก็จะมีฮิริโอตะ ป, ปะจะมีความละอายความเกงกลัวต่อบาปเพราะบอกแล้วโกหกตัวเองไม่ได้ ไปแอบทำไม่มีใครรู้เลยนะตั้งต่บะเอาไว้นะว่าไม่กินขนมนี่เข้ามาสองเดือนแล้วเข้ารรษาโอ้โหเมื่อคืนนั้นฝนตกอากาศดีนอนไปนอนมาฟ้าผ่าเปี่ยงตื่นตกใจหิวเลยนะตื่นตกใจหิวเลยโอ้ไปเปิดตู้กับก้าว <c oughs> เออมีกล้วยอยู่หวีหนึ่งเอาแค่ใบเดียวก็พอ <c oughs> ลองท้องหน่อยอไม่มีใครรู้มีใครเห็นเอาอยู่บ้านคนเดียวเดียะแต่รับรองพอคุณกินไปเสร็จเรียบร้อยนะ่ะคุณแน่นอนโอ้โหนี่ตั้งตะบ่าไว้นะเนี่ยโอหผิดตบ่าไปแล้วไอ้ตอนกินลืมไป <laughs> ลืมนึกถึงตะบะกินเสร็จแล้วค่อยตบ่าค่อยมาตบ่ามันหาจังหวะเอ๊ะตะตะบ่ามันมาไม่ทันกิเลส กิเลสมันแซงหน้ามาก่อนแล้วตออาบะมันมาทีหลังมาละลึกได้แต่เนี่ยถึงบอกแล้วถ้าคุณปฏิบัติถูกทางอยู่เนี่ยไม่มีใครรู้โดยเราเลยแต่เราเนี่ยเริ่มไม่สบายใจแล้วบางทีมาเนี่ยเอายังบางคนเนี่ยสมมติว่าตั้งตบาบะการมามาเนี่ยแต่มาชักจะรู้แล้วคนนี้นี่คนนี้ต้องไปปิดตบาบะมาแน่นอนเลยเพราะอะไรเขาเดินมาแล้ว เดี๋ยวโผล่เดี๋ยวหาเดี๋ยวโผล่ดี๋วหา <laughs> ไม่ค่อยมายอมเจอหน้าซะก็เลยเนี่ยพอรู้ได้เลยเนี่ยเนยเน ย, น ย, นยต้องไปทําอะไรมาแล้วเนี่ยมันมันออกมาเองนะฝนมันจะออกมาเองเพราะเขาเขาเข า, เข า, เขารู้อยู่ไงความรู้สึกเนี่ยภายในมันรู้อยู่ว่าโอ้ไม่ดีเลยเจอท่านเดี๋ยวก็กลัวเดี๋ยวท่านจะว่าเอาหรือว่าจริงๆริงมันอยากจะสารภาพจริงๆมันปกปิดไปไม่ค่อยได้หรอกนะถ้าถ้าถูกพุดแล้วเนี่ยทําผิดอะไรมานี่ไม่ไม่นิยมปกปิดเลย จะต้องเปิดเผยถ้าเป็นพระเนี่ยเขาเรียกว่าจะต้องมาแสดงอาบัติเพราะว่าอะไรมันทุกข์สิขืนเก็บเอาไว้อะเพราะมันเป็นความผิดเป็นความบกพร่องเป็นความไม่ดีของเราแล้วเราก็รู้อยู่กับใจมันก็ทุกข์มันก็กลัดกรนหัวใจเราไปตลอดเพราะฉะนั้นมันต้องหาทางมามาบอกหรือว่ามาเปิดเผยพระเนี่ยท่านถึงเนี่ยอย่างวันนี้วันพระนะจะต้องเข้าโบสฟังปฏิโมกเนี่ยจริงๆก็หมายความว่า ให้มาฟังนะท่านจะอ่านข้อต่างๆเนี่ยสองอยี่สเจ็ดข้ออะไรพวกนี้วินัยเนี่ยเนี่ยไปผิดข้อไหนมาบ้างตอนแรกอาจจะนึกไม่ได้ใช่ไหมแต่ที่มาอ่านให้ฟังเนี่ยเดี๋ยว อ, อ้าวโอ้ข้อนี้พึ่งนึกได้พอนึกได้บอกแล้วก็รีบเปิดเผย ท, ทันทีแล้วเปิดเผยเนี่ยใจมันถึงจะบริสุทธิ์